มาทำบุญเพื่อที่ส่วนสนให้กับดวงในโอกาสที่วันนี้คุณแม่แล้วก็พี่สาวของดวงก็ได้เดินทางมาจากกรุงเทพเนพะื่อที่ได้มาร่วมทาพิธีนี้พร้อมๆ ร, ร่วมกันกับทางพระสงฆ์แม่ชีแล้วก็ชาวบ้านตากบินทองพวกเราในที่นี้ก็รอดละแต่รู้จักดวง แล้วก็มีความประทับใจนะในคุณงามความดีของเธอทั้งในส่วนที่เป็นความมุ่งมั่นในการบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็ในส่วนที่เป็นมิจฉาอยนะ่างรวมทั้งในส่วนที่ได้มาทำประโยชน์ให้กับทั้งวัด ในฐานะที่เป็นที่เคยบวชไปแม่ชีมาอันนี้ก็เป็นความประทับใจของพวกเราที่อยู่ที่ที่อยู่นอกแวดวงครอบครัวนะของของดวงยิ่งในส่วนของผู้ที่ได้เป็นเป็นแม่เป็นพี่นะก็ยิ่งมีความประทับใจในตัวของเธอ มากมายกว่าพวกเรานักนะเมื่อเธอได้จากไปก็ย่อมมีความเสียใจแต่ว่าก็เราลึกถึงคุณงามความดีนะของเธอ <c oughs> เมื่อเราราลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่จากไปเราก็ไม่มีอะไรที่จะทำได้นอกเหนือจากการบมเพ็ญกุศลนะเพื่อทิ่ส่วนกุศลให้กับเธอ <c oughs> ผู้ที่ร่วงลับ เพราะว่าผู้ที่ร่งรับไปนั้นเนี่ยย่อมไม่สามารถที่จ ะ, อะเอาอะไรติดตัวไปได้นอกจากบุญกุศลรวมทั้งเมื่อเราระลึกนึกถึงเราก็ไม่สามารถที่จะส่งอาหารส่งปัจจัย4ี่ไปได้แต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราได้พร้อมใจกันทำความดีแล้วเราก็อุทิศความดีหรือบุญกุศล น, นั้นนะเพื่อให้แก่ผู้ที่รงรับ เพื่อจะได้ไปได้สวยเป็นวิปากสมบัตินะวิปากสมบัติก็คื อ, อคือสมบัตินะที่จะเป็นประโยชน์เ อ, อื้ออำนวยให้ได้ไปสุกติภพนะจะรว่เป็นอาหารก็ได้นะแต่ว่าอาหารของชาวโลกนั้นเนี่ยก็คือข้าวปลาผักแต่อาหารของผู้ที่ละโลกนี้ไปนะก็ได้แก่บุญกุศล อย่างพวกเราวันนี้ได้มาทําความดีก็คือมาถวายสังกฐานแล้วก็มาพร้อมใจ ก, กันรับศีลสังกทานนั้นก็คือฐานที่ถวายกับพระสงฆ์ย่อมมีบุญอันมากมีบุญอันยิ่งใหญ่เมื่อเราได้รับบุญนั้นแล้วเราก็แผ่อุทิศไปให้กับผู้ที่ร่วงรับนะซึ่งในวันนี้คือเราก็ได้แผ่อุทิศส่วนบุญให้กับดวงนะซึ่งเป็นที่รู้จักของพวกเราทุกคน จริงๆแล้วเนี่ยนะถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันทำบุญครบรอบ50ปีของการจากไปของดวงแต่ว่าการจากไปนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจากไปนะแต่แต่ตัวส่วนความดีนะที่ได้กระทํานั้นไม่ได้ตายจากไปด้วยก็ยังประทับอยู่ในใจของเราความดีที่ประทับในใจของเรานั้นเนี่ยนะ จะไม่ใช่เป็นความดีที่ศูนย์เปล่าเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อได้รับความดีประทับใจในความดีของใครความดีนั้นก็กระตุ้นให้เราอยากจะทำความดีให้กับผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆเช่นเมื่อเราได้รับความชื่อจากใครก็ตามเรายอมประทับใจในการกระทำนั้นและทําให้เราอยากจะทำความดีให้แก่ผู้อื่ น, เ, <c oughs> เ, นเมื่อเราทใใ า, รรทวท า, าทความดีให้แก่ผู้อื่น นั่นก็แปลว่าความดีที่เราได้รับนั้นเปนส่งผลแล้วคนอื่นนั้นได้รับความดีจากเราได้รับความชื่นใจากเราเขาก็เกิดกําลังใจที่อยากทำครามดีให้กับผู้อื่นต่อไปความดีนั้นก็กระจายกันเป็นทอดทอดทอดทอดทอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งผู้ที่ทำ ผ, ผู้ที่เคยช่วยเหลือเราเขาตายจากไปแล้วแต่ความดีที่เขาได้ทํากับเรานั้นไม่ไม่สูญเปล่าความดีของเขาก็ยังต่อเนื่องนะกระจายเหมือนกับคลื่นใน ขึ้นในศรสน้ําที่มันกระจายไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยๆอันนี้เรื่อความดีไ ม, ไ ม, ม่ไม่มีตายนะความดีไม่ตายความดีไม่มีวันตายก็เพราะว่าเมื่อเราได้รับความดีของจากใครนะเราก็เกิดกําลังใจเกิดพลังในการที่จะทําความดีต่อไปแม่เมื่อทําความดีกับลูกนะลูกจิตใจเป็นคนมีจิตใจดีมีจิตใจเบญกุศลเขาก็ทําความดีต่อไป เมื่อขอมีลูกขอก็นำความดีที่เขาได้รับจากแม่นั้นมาส่งทอดให้กับลูก <c oughs> ลูกก็ได้รับความดี <c oughs> ก็ไปทําความดีคนอื่นต่อไป <c oughs> นี่เป็นธรรมชาติของความดีนะทีะ่มันไม่มีวันตายเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีที่เราได้รับหรือว่าประทับไว้ในใจเนื่องมาจากความดีของดวงก็ตาม สิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อประทับใจเราแล้วเนี่ยเพียงแค่เราลึกนึกถึงเนี่ยถองความดีของเขานะอันนั้นก็เท่ากับว่าเขาก็ยังอยู่ในจิตใจของเราแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะความดีที่เราได้รับจากเขามันก็จะเป็นพลังทำให้เราอยากจะทาความดีให้กับพื่นต่อไปความดีที่ได้รับจากครูบาอาจารย์ความดีที่ได้รั บ, รบจากพ่อแม่ความดีที่ได้รับจากเพื่อนนะเป็นอย่างนี้นะ คือเมื่อเราได้รับความดีจากเขานะมันก็ไปไปหลอยเลี้ยงความดีในใจิตใจของเราให้เจริญ ง, งอกงามแล้วก็ส่งผลให้ผู้อื่นสา ม, มารถจะรับรู้ไดนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าแม้ว่าดวงจะตายจากไปแล้วก็จากไปแต่เพียงร่างนะจากไปแต่เพียงตัวนะแต่ความดีที่ประทับใจเราไม่ว่าในโอกาสใดก็ตามนะก็จะ ยังคงอยู่แล้วก็จะเป็นพลังผลักดันให้เราทําความดีให้กับผู้อื่นต่อไปให้เมื่อเราเมื่อเราระลึกเช่นนี้เนี่ยนะก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ไม่ได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วนี่นะสิ่งที่จากไปนะั้นก็เป็นเพียงแตก่การจากไปของของาธาตุขันนะที่เป็นดินน้ําลมไฟแต่ว่าส่วนที่เป็นสาระสาคัญนั้นก็ยังยังอยู่ต่อไปอจนกว่า แม้ว่าเราเองต่อไปก็จะสิ้นลมนะแต่ว่าความดีที่เราได้รับจากเขาเราก็ส่งทอดต่อไปดังนั้นแม้เราจะตายไปนะแต่ความดีที่เราได้รับจากจากคนอื่นนะจากเพื่อนหรือจากกรณีคือจากดวงเนี่ยมันก็จะส่งทอดต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าเราสิ้นลมแล้วนะแต่ว่าความดีของเขาก็ยังแผ่กระจายต่อไปเรื่อยๆหาที่สิ้นสุดได้ลาบาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงการตายเนี่ยมันก็ในทางวธศาสนาก็ถือว่ามันเป็นแค่สมมตินะความตายนี่เป็นแค่สมมุติการจากไปก็เป็นแค่สมมุติเปรียบเทียบนะเวลาคนที่เวลาคนเรานี่เปรียบเทียบเนี่ยเหมือนกับว่าน้ำแข็งอยู่ในแก้วน้ำเนี่ยน้แข็งในแก้วน้ำนี่นะน้ำแข็งในแก้วน้ำเนี่ ย, ยทีแรกก็เป็นก้อนแต่ว่า พอผ่านไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งก็จะหายไปถามว่าก้อนน้ำแข็งหายไปไหนก้อนน้ำแข็งไม่ได้หายไปไหนก้อนน้ำแข็งก็ยังอยู่ในนี้แหละเพียงแต่มันแปยสภาพกลายเป็นน้ำก้อนน้ำแข็งก็เพียงแต่าหายไปแต่ไม่ได้หายไปเลยมันแปลสภาพกลายเป็นน้ำอยู่ในแก้วทุกคนในโลกนี้ก็เหมือนกันสรรพสัตว์ในโลกนี้ก็เหมือนกันนะตอนที่เขามีชีวิต อ, อยู่ก็เหมือนกับเขา ย, ยังเป็น ก้อนน้าแข็งอยู่นะแต่เวลาที่เขาละลายหายไปเราก็เรียกว่าตายแต่จริงเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะก็ยังวนอยู่นะเหมือนกับน้ําแข็งที่กลายเป็นน้ําก็ยังอยู่ในแก้วยังอยู่ในภาชนะนั่นคนที่ตายจากไปนะก็ไม่ได้ไปไหนนะก็อยู่ก็ยังอยู่ในโลกนี้แหละเว้นแต่ว่าจะปฏิบัติธรรมถึงเข้าถึงขั้นนิพพาน หพ้นจากว่าตาสงสารอันนั้นก็ก็เรียกว่าไม่ไม่หลงไม่ไม่เวียนอยู่ในแก้วน้ำแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในธรรมศาสนาร์ก็เชื่อว่าผู้ที่จากไปเนี่ยก็จริงๆแล้วนอกจากความดูความดีเขายังยังอยู่ต่อไปไม่สูญเปล่าแล้วเขาก็เป็นเพียงแต่ว่าแปลสภาพไปแต่ว่าก็ยังอยู่ที่ใดที่หนึ่ง จึงต่อไปเราจะได้พบเขาก็ได้แต่ว่าอาจจะในรูปลักษ์ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เราคนที่เรารู้จักมักคุ้นคนที่เรามีความผูกพันด้ว ย, เ, ยเมื่อเขาจากไปก็ก็ขอให้มั่นใจได้ว่าก็ยังจำได้มีโอกาสได้พบปา ก, กันไปแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะทําความดีต่ อ, อ ก, กันความระลึกถึงกันนะเป็นปัจจัยที่ทําให้ได้มามาพบกันใหม่ ถ้าเราเราะ ล, ลึกถึงกันในทางร้ายใช่มีความโกรธความเกลียดมีความอาฆาตเพยาบาปก็ได้เจอกันใหม่นะได้เจอกันใหม่แล้วก็อาจจะทําร้ายกันทำให้ทุกข์แต่ถ้าหากว่าได้ผูกพันกันด้วยความระลึกนึกถึงด้วยความซาบซึ้งในความดีรวมทั้งได้ทําความดีต่อกันก็จะมาได้พบกันใหม่นะเพื่อที่ได้ทาความดีแก่กันและกัน ยิ่งถ้าเป็นการยิ่งถัดแต่ละคนเนี่ยได้ได้รู้ว่าความดีที่ถูกต้องคืออะไรได้ช่วยเหลือเกอื้อกูลทำให้ได้เห็นธรรมะก็สามารถจะช่วยเหลือเกอืก้อกูลกันให้ได้เข้าถึงพระนิพพานได้ในที่สุดอย่าง น, นกูลบิดา น, นกูลมารดานี่ถือว่าเป็นคู่รักนะเป็นคู่รักที่ดีต่อกันมากในสารพุทธการผู้เจ้าตรัสว่าในท่าว่ามีความดีต่อกันนะซื่อตรงต่อกัน ก็จะได้พบกันกในชาตินาคก็ได้เป็นคู่บุญกันอีกแล้วก็สามารถจะส่งเสริมกันให้ได้เข้าถึงธรรมะที่สูงขึ้นได้จนกระทั่งเข้าถึงปฏิปันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในวัฏฏะทรงซ่านกว้างไกาไม่มีที่สุดไม่เดียวประมาณนะีถ้าว่ามีเรามีความผูกพันต่อกันนะก็ย่อมจะได้พบกันใหม่แต่ถ้าผูกพันกันก็ผูกพันกันด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความซาบซึ้งใจอย่าได้มีความรู้สึกกดแข้งกดเคื่อนกัน ถ้าเราโกรธแค้นมีอาฆาตมีความรำคาพยาบาทต่อกันตายไปแล้วก็ต้องไปเจอกันใหม่แล้วก็จองเวรต่อกันถ้าไม่อยากจองเวรกันไม่อยากเจอกันใหม่นะก็อย่าอย่าอย่าโกรธอย่าเกลียดกันอย่าโกรธอย่าเกลียดกันให้อภัยกันซะจะได้ไม่ต้องเจอกันในชาติต่อๆไปนี้พระเจ้าจึงบอกว่าให้อภัยกันซะอย่าจองเวรกันเพราะถ้าจองเวรกันแล้วมันจะจองเวรกัไม่จบนะ เกิดใหม่ก็ยังจองเวรกันอีกถ้าไม่อยากจองเวรกันหรือไม่อยากถูกกระทําย่ดีก็ให้อภัยกันส่วนคนที่มีความผูกพันกันนะก็ทําความดีต่อกันนะทําความดีต่อกันไปเรื่อยๆนะโดยไม่หวังผลมีความเมตตาต่อกันนั้นะแม้ตายไปแล้วก็มีความระลึกถึงกันทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศให้ก็จะเป็นเหตุได้มา พบกันใหม่แล้วก็จะเป็นการพบกันเพื่อทําความดีใหแก่กันและกันนะจนกระทั่งอ า, อาจจะเข้าถึงพระนิพพานดวงนั้นเนี่ยเขาก็มีความมีความปรารถนานะที่จะปฏิบัติทำจนเข้าถึงพระนิพพานนะแม้ว่ า, าชีวิตเขาจะสั้นนะเขาจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ตามปณิธานที่หวังเอาไว้นะแต่ว่าก็เชื่อบุญกุศลที่เขาได้ทํา รวมทั้งบุญกุศที่เราได้บ่มเพนอุทิศให้เขานะก็จะช่วยส่งผลให้เขาได้กลับมาเกิดในภพภูมนะิที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมแล้วก็เชื่อว่าด้วยความภาพเพียรพยายามของเขาและตลอดจนกันที่ได้พบกนะับอาารมิตรมีครูบาอาจารย์นะ <c oughs> ก็ช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถจากก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนะจนเข้าถึงความสิ้นทุกข์ได้ นู้เราทุกคนเนี่ยถ้าว่ามีความปรารถนามีความตั้งใจนะที่จะที่จะเข้าถึงพระนิพพานแล้วนะก็สามารถจะก็ย่อมจะถึงจุดหมายปลายทางได้ในที่สุดไม่ช้าก็เร็วเพรา ะ, ะนั้นการตั้งจิตนะอธิษฐานในพระนิพพานนี่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะที่เราควรทําเอาไว้แล้วก็ในแต่การก็ช่วยกันระลึกช่วยกันทําความดีอุทิศส่วนบุญให้กับผู้ที่ มุ่งมาดปราถนาปณิพันธ์ดยเพื่อที่จะได้เขาถึงปณิพันธ์นะในที่สุดเดียวกันน้ําน้ําน้ําทุกสายนะย่อมมีจุดหมายก็คือท้องทะเลลําปะทานี่ก็เหมือนกันนะลาปะทานี้จุดหมายปลายทางคือท้องทะเลนะจากลำปะทาก็ไปลงแม่น้ําชีจากแม่น้ําชีก็นนนะไปแม่น้ําโค้งบ้างหรือไม่ก็ออกไปทางแม่น้ําสายอื่นสุดท้ายก็ไปลงที่ทะเลเหมือนกัน ธรรมชาติของสายนา้าทุกสายเป็นเช่นนั้นธรรมชาติของทุกคนนะที่ตั้งมันนะ่นในความดีมุ่งพะนิพาณไปที่หมายก็จะถึงจุดหมายปลายทางคือการพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนแล้วก็นุโมทนานะพวกเราชาวทุกคนนะที่ชาวบ้านตัดเลงทองที่ได้มาร่วมกันทําบุญพร้อมกักบทางครอบครัวของดวงนะก็ ขอให้เราได้พร้อมใจอุทิศส่วนบุญที่ได้ทำทั้งในวันนี้แล้วก็ที่ผ่านมาเพื่อให้ได้เพื่อให้บุญนั้นเพื่อให้บุญนั้นได้ไปถึงนะกับดวงเพื่อเขาจะได้ได้ไปได้รับสวยสุขในในป่าโรคนะเป็นสุคติที่จะนําให้เขาได้เข้าถึงความเป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติธรรมจนพ้นทุกข์ได้ในที่สุด ยะถาวริวาหาปูราปริปูเรนติสาพรังเอวะเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวัสมิชะตุสะเพปูเรนตุสังกปา จนโทปนรโสยะถามณิโชติราโสยะถาสบิอาทิโอวิวาชาตุสัพพารวโกวินาสตุมาเตภวัตวันตาลาโยสุขีธีขาโยก ภาวาพิวาธนาสิริสเนจังทาพจายโนจัตตาโลธัมบาวันนียายุวันโลสุขังบาลัง ขีาินาสังข์มิสุปฏิทตาทิคารตาอิตายาสถานโสอุปกปฏิโซยาติธรมโมยายิทาสิโตเปทานบูชาจะกตาอุลาลรณชาภิูณมนุปปินังุมเหิปุญญัง สุตังอนะปะปันติขะละลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุตานุปาเวนะสัทธาโสตีขะละลักขันตุสัพพเทวตาสัพพนัมมานุปาเวนะสัทธาโสตี กวนตุเตบาวตุสาาบางบลังพันตุสาบาเตวตาสาบสัมฆานุาเวนัสตาโตาวันตุเต